มาแล้วไม่ได้อะไรเลยนะ่ยอย่าให้เป็นเด็ดขาดอย่าให้มีเด็ดขาดไม่ได้ประโยชน์ตนขอให้มันได้ประโยชน์ท่านไม่ตั้งใจทําประโยชน์ท่านขอให้ตั้งใจทําประโยชน์ตนอย่าอยู่เสียเวลาเวลาไปวันคืนล่วงไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีคุณค่า อย่ามองโลกยุแบบจืดจืชืดชืกล่อกล่อยดูแล้วไม่มีสีสันไม่มีชีวิตชีวาอะไรเดินเหมือนกับคนไม่มีจิตกระใจอะไรเหมือนกับคนไม่มีชีวิตเนี่ยอย่าให้เห็นไม่อยากเห็นดอกถ้าเป็นนักตั้งใจจะปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเนี่ย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 เห็นทุลักปะปังเห็นประโยชน์ท่านพอจะเป็นประโยชน์ช่วยแบ่งเบาภาระอะไรกันได้แบ่งเบาจากประโยชน์ตนมาประโยชน์ท่านถ้าหากเห็นว่าไม่คุ้มค่าจริงๆกันเอาประโยชน์ตนให้เอาให้มันชัดเข้าไปเลยเราเปิดโอกาสให้เต็มที่อย่าไปรีรีรอรออนุนก็นจืดจืดชืด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 ความดีก็คือบุญบุญก็คือความดีแหละความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดีด้วยกายก็ดูกิริยากายสำรวมระมัดระวังดีด้วยวาจากิริยาวาจาสำรวมระมัดระวังดีด้วยใจก็คือสารวมใจน่แหละเอาอะไรมาสำรวมกายวาจาใจเอาสติเอาสัมปชัญญะนี่แหละมาเป็นเครื่องสังวรมาเป็นเครื่องสำรวมมาเป็นเครื่องกากับนํบริยับ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 หรือถ้าหากเราจะเทียบก็เหมือนกับว่าสมาธิเป็นเครื่องเป็นเครื่องเก็บทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหามาได้ปัญญาเป็นผู้แสวงหาแสวงหาทรัพย์มาได้สมาธิกับปัญญาจึงมีความจําเป็นตามกันไม่จบตามกันไปตลอดทุกระยะ สมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเลยท่านท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นความสําคัญสมาธิเหมือนต้นทุนถ้าเราไม่มีสมาธิและอ้าวไม่รู้จะไปสแสวงหาอะไรหละไม่จะรีบลงทุนห้าบาทได้กําไรสองบาทสามบาทลงทุนร้อยบาทได้กําไรห้าบาทสิบบาทมันไม่มีทุนไม่รู้จะเอากําไรอะไรเพิ่มขึ้นมา คือต้นต่อที่จะเกิดมันไม่มีต้นต่อในที่นี้หมายความว่าสมาธิจะไปทิ้งอย่าลืมอย่าทิ้งพุโทโธพุโทโธพุโทโธอ่าแล้วลึกถึงที่ไารเมื่อไรกำหนดย้อนมาสงบกึกอยู่กับตัวเองเดี๋ยวพื้นเพรืิตภายในจิตของเราก็จะดีขึ้นปัญหาสารพัด ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายเบาไปสักหน่อยหนึ่งปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราแก้ยากที่สุดมันก็จะโผล่ขึ้นมาแหละกํำห น, นดย้อนคือมาที่ความสงบของเราเนี่ยปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันคล่องคาอยู่ในหัวใจอเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาแหลอะอคือปัญญาพื้นพื้ น, นมันมันปัญญาโดยสัญชาตญาณมั น, ม, นมันเกิดขึ้นอมันไม่ใช่ปัญญาเพื่อหลักสัจธรรมละเอียด ที่จะเข้าไปรู้ว่าหลักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ปัญญาพื้นพื้นมันมีของมันอยู่พื้นเพริ่นนิสัยของจิตที่ได้รับความสงบที่มีความสงบมันมีอยู่ดูแต่ว่าเราประคองเอาสติประคองเอาสัม ป, ปชัญญะประคองเราดูเป็นอะไรเป็นปัญญาในความสงบนั่นแหละมีปัญญาอยู่ในนั้นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีปัญญาอยู่ในนั้น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 หลงไปไง่ายๆเผลอไปไง่ายๆหลงไปกับกนอุบายของกิเลสที่มันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราเพลิอไปกับกนอุบายมายาของกิเลสที่มันแทรกมาในหัวใจของเรากิเลสมันก็ตามต่อยตๆ อ, อ, ยอยู่ในหัวใจของเราเนี่แหละกิเลสมันไม่ใช่ว่ามันจะหดหัวหายไปไหนกิเลสมันก็เกิดขึ้นในหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยแหละสมาธิปัญญามันก็เกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่แหละ อาศัยผู้รู้เป็นเป็นแกนแกนแกนนำเป็นแกนกลางผู้รู้คือธาตุรู้เป็นแกนนําเป็นแกนกลางเดี๋ยวนี้เราพยายามฝึกฝืนพยายามทั้งฝึกทั้งฝืนเพื่อเอาผู้รู้นี่ให้มาอยู่ในเงื้อมมือของสติของสัมพัชัญญะในเงื้อมมือของสมาธิของปัญญาให้อยู่ในเงื้มมือของสมาธิคือจิตสงบแนบแน่นอยู่กับเรื่องเดียว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 เราย้อนมาเพื่อเอาธรรมะมาต่อก่อนกับเจ้าความหลงอันเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นเรื่องของอวิชชาอย่าลืมว่า ก, กิเลสกับอวิชชากับตัณหาเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันอ่ะอวิชชามาทีไรเมื่อไห ร, ไหรตัณหามาทีนั้นเมื่อ น, นั้นความเศร้าหมองของจิตมาทีนั้นเมื่อนั้นความเศร้าหมองของจิตนั่นแหละที่จะเรียกว่า ก, กิเลสกิเลสเพลอทีไรเมื่อไรเนี่ย วิชาตันหาอุปาทานมันมาพร้อมกันเลยนะในหัวใจของเราเนี่ยในขณะที่เราพยายามดํารงสติดํารงสัมผััญญาอยู่มีพยายามเจริญปัญญาพยายามใช้ปัญญาอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็ตามใต้ใต้อยต้อยต้ ย, ต ย, ตยมานั่นแหละพอหลวมตัวปับ๊บมันก็แทกปับ๊บหลวมตัวปับป๊บปั๊บมันก็แทรกปับ๊บการสังวรระวังคือการสังวรระวังไม่ให้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาเข้าสิงในหัวใจของเราทําให้จิตของเราเผลอทําให้จิตของเราหลงเผลอทีไรหลงทีไรเมื่ อ, อไหร่ตัณหามก็แทรกเข้ามาตัณหา ค, คือความอยากตามอําเภอใจของจิตนั่นแหละมันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเป็นเครื่องมันไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุผลอะไรในตัวของมันแหละว่าแต่มีความอยากแล้วก็มันยึดหมด ยินดีมันก็ยึดยินร้ายมันก็ยึดเมื่อแต่เราเผลอที่ไรเมื่อไรมันก็แสรกเข้ามาแล้วมันพายึดนั่นตัณหาเกิดขึ้นที่ไรเมื่อไรมันก็พายึดอยู่ดีๆไม่ดีอ้าวเพลินไปกับมันพาไปยึดยึดนู้นยึดยึดไปยึดมาก็โอ้แปวใจกาณ์นั้นอีกแล้วแปะใจกาณนี้แล้วหรือเพลินหลงละเริงไปกับสิ่งนั้นหลงละเริงไปกับสิ่งนี้พาออกนอกลู่นอกทางไปเสียแล้ว สิ่งเหล่านี้มันพาออกนอกลู่นอกทางเราดูออกไหมเราดูได้ไหมมันจะพาออกไปปีนเกลียวกับศีลกับธรรมมันจะปีนเกลียวกับการสํารวมสังวรระมัดระวังมันจะปีนเกลียวกับการอกิริยากายชั่วยาบกิริยาวายจาจชั่วยาบมันจะปีนเกลียวไปหมดแหละถ้าสิ่งเหล่านี้แสดงพลังออกมาทีไรเมื่อไหร่มันจะปีนเกลียวอ่า แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของการสํารวมเข้ามาเป็นเรื่องของการตื่นเนื้อตื่นตัวเข้ามาสํารวมเข้ามาระมัดระวังเข้ามาไม่หลงเคลื่อไปกับอํานาจของตันหาอํานาจของความอยากนั่นแหละอํานาจของตันหาความอยากในหัวใจของเราถึงว่าพยายามกําหนดจดจ่อมาตรงนี้เพื่อ yea เราจะได้เห็นริเริ่ดของความอยากคือตันหาในหัวใจของเราเราไม่ย้อนเข้ามาเราไม่เห็น นเมื่อเราไม่เห็นมันก็พาเราหลงไปเลยหลงไปบนบนขณะที่เราสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะั่นแหละมันหลงไป ท, งทั้งทั้งที่หลงไปทั้งดุนเลยนะ่ะไม่รู้สึกตัวภาวะของความหลงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์เป็นขอบเป็นเขตของมันเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรของมันอ่าไม่รู้มันหลงยังไงกิริยามันหลงเราดูไปที่กิริยามันพาเราหลงลุ่มหลง หลงเพลินไปกับรูปนั้นลุ่มหลงเพลินไปกับรูปนี้เพลินไปลืมเนื้อลืมตัวไปประกอบไปด้วยความกำหนัดความยินดี น, นี่นันทิราคะนันทิราคะราคะกำหนัดประกอบไปด้วยความเพลินเพลินปประกอบไปด้วยความกำหนัดยินดีกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสกับสัมผัส จบลงแล้วคือกับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะ เ, เกิดขึ้นมีขึ้นดูเข้าไปที่จิตแล้วเราจะเห็นทาความสงบนี่แหละให้มันอยู่นี่แหละพูดไปมันก็มากเรื่องพูดไปมากเรื่อ ง, เ ร, องเราอยู่กับพุทธโธเราคุ้มค่าแล้วละอยู่ต่อเนื่องไปห้านาทีสิบนาทีเหมือนเมื่อกี้กับพานั่งภาวนาไปเกือบสองชั่วโมงเนี่ยเราลองอยู่ดูลองอยู่ หนึ่งชั่วโมงเนอะมันจะมีพลังมันจะมีอนุภาพมันจะมีความสงบมันจะมีความสุขขนาดไหนจิตใจของเราไม่ถูกทิมแทงด้วยกิเลสตัณหาอาสวะนี้จิตใจขงเราเพิ่มพลังให้กับตัวเองมากน้อยเท่าไหร่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราได้คําว่าเราได้หมายก็ว่าผลเพิ่มมันเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนกับเราแสวงหาเรามีเราตั้งทุนกึกเอาไว้ เราแสวงหาเรามีมันมีผลเพิ่มเข้ามาทําทุกครั้งมันก็มีผลเพิ่มเข้ามาทําทุกครั้งมันก็มีผลเพิ่มเข้ามาให้มองเห็นความสําคัญเมื่อเรามองเห็นความสําคัญแล้วมีความพอใจฉันทะมันก็มีฉันทะคือความพอใจงานการทุกอย่างไม่ว่างานหยาบงานละเอียดไหนเมื่อเราพอใจแล้วเนี่ยความเพียรมันก็มีมันมองเห็น ประโยชน์มันมีปัญญามองเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้โ อ, เอ้เราทำได้อย่างนี้พยายามตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์พยายามทำได้ขนาดนี้มันจะมีผลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาอุตส่าห์ทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมามีผลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาความภาคความเพียรมันก็มีปัญหาสรารพัดอุปสรรคขัดข้องมีมันก็พร้อมที่จะแก้ไขมันไม่ถือเป็นเครื่องที่จะทาให้เราท้อถอย หดหูท้อแท้ทดถอยอพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะใช้ปัญญาที่ฉันเรียกว่าจิตตะจดจอดจอด่จอแล้วก็วิมังสาพิจราครณาไคร้ครัวคาว่าวิมังสานี่มันเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาแก้ไขอาศัยความจดจอ่อพิจารณาแก้ไขสรุปลงแล้วก็คืออิทธิบาทสีนั่นเองอิทธิบาทส เอาไ่ใช้กับงานกับการอะไรทุกอย่างมันสรีรประโยชน์ได้หมดอย่าลืมอิทธิบาทสี่ฉันทะคือความพอใจดูสิงานบางสิ่งบางอย่างเราไม่พอใจเราไม่มีกำลังใจหลายที่จะไปทำการที่เราจะพอใจในสิ่งนั้นนั้นเราต้องดูให้ทะลุเข้าไปถึงผลของมันเมื่อผลเหล่านี้จะปรากฏแกเรามากน้อยขนาดไหนเพียงใดมันจะมีคุณค่าในตัวของมันก็จะทาให้เราเนี่ยอยากความอยากอันนี้มันเป็นมักนัเนน่ะ เียนอย่างละเอียดอยากสงบเงี้ยอยากให้เกิดความรอบรู้เนี่ยอยากให้มีความพอใจในงานของตัวเองอยากให้มีความภาคความเพียรกำหนดจุดจอพิจารณาแก้ไขปัญหาสา ร, รพัดอย่าลืมว่าปัญหาเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีทุกระยะมากมายมหาศาลที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราแค่เราต้องการจะเอาจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแค่นี้นปัญหารอบด้านสา ร, รพัด เราดูเถอะเดี๋ยอนั้นโผล่เข้ามาดึงเราไปแล้วเดี๋ยวนี้โผล่เข้ามามันดึงเราไปแล้วสรุปลงแล้วคือกิเลสนั่นแหละมันไม่มีอะไรอย่างอื่นนี่ปัญหาร้อยแปดพันอย่างอยู่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดปัญหาร้อยแปดพันอย่างคือปัญหาของกิเลตันหาอาสาวอนันหัอยใจของเราเนี่ยมันมีแง่มุมสารพัดเป็นปมเป็นเงื่อนอสรุปลงแล้วก็คือพลังของ เจ้าความอยากเนะี่มันก็เดียวกันเนจะ้าความอยากก็คือตัณหาตัณหาในหัวใจของเรามากกว่าน้ำในแม่น้าในมหาสมุทรเสียอีกอมันมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นแต่มันหากปลีกย่อยปลีกแวะไปตามเรื่องตามการตามเวลาตามแต่แต่แท้ที่จริงมันก็เกิดขึ้นจากราก เง่ารากฐานอันเดียวกันคือผู้รู้กิเลสเอาผู้รู้ของเราไปฉลุงเอาผู้รู้ของเราไปใช้เอาผู้รู้ของเราไปเป็นเครื่องมืออ่เพราะฉะนั้นงานของเราที่เราทํานี่มันเป็นงานที่ยือยย้อแย้งยื้อแย้งถาดรู้มาให้เป็นตัวของตัวเอาธรรมะมากํากับเอาสติธรรมมากํากับเอาสัมปชัญญะธรรมมากํากับเอาวิริยะเอาฉันทะ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 อย่าไปเข้าใจอะไรง่ายๆสําสคัญมั่นหมายง่ายๆ ย, ยึดเอาง่ายๆถือเอาง่ายๆดูพิจารณาใครครวญให้ดีให้ขึ้นใจขึ้นใจด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุมีผลในตัวของมันไม่ปลงใจยึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาอะไรเกิดขึ้นก็รับทราบอไม่กรรมที่เรียกว่าปล่อย <LEY> อะไรเกิดขึ้นรับทราบแล้วก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นรับทราบแล้วก็ปล่อยไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นนิดนหน่อยหแล้วก็กำเข้ามายึดเข้ามาถือเข้ามาเกิดขึ้นนิดนหน่อยหนก็ยึดเข้ามาถือเข้ามายึดเข้ามามากเท่าไหร่กำเข้ามาเอามากำเอามายึดเอามาถือเอามากำมากเท่าไหร่เป็นสมุทัยทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของความสงบนิดนหน่อยหก็เอามายึดเอามาถือความสงบ อันนี้มันก็เป็นสมุทัยแล้วเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้ไม่ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดผลที่ดีงามเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ยึดขึ้นมาเกิดขึ้นก็รับทราบแล้วก็ปล่อยเกิด ข, ขึ้นรับทราบแล้วก็ปล่อยแล้วความสงบแม้พิจารณาทางด้านปัญญาเกิดความรู้แพร้วพร่า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 ยึดมาเกี่ยวเรื่องปัญญาก็กองทุกมันผิดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นทั้งให้ปล่อยอะไรเกิดขึ้ น, นให้ปล่อยคําว่าปล่อยต้องมีผู้รู้เพียบพร้อมอยู่ในนั้นนะอเราไม่ตั้งใจจะ ย, ยึดดอกอแต่ถ้าผู้รู้ของเราด้อยไปเนี่ยตัณหามันพา ย, ยึดโดยหลักธรรมชาติของมันเองเพราะฉะนั้นต้องทําผู้รู้ให้สว่างให้รูอยู่มันเกิดขึ้นก็รู้ทราบแล้วก็ ทราแล้วก็ปล่อยไม่ตั้งใจปล่อยนะมันหลุดเข้ามันเองว่าแต่ผูดรู้อยู่โร่อ่ะไม่ต้องตั้งใจปล่อยมันก็หลุดเข้ามันเองเราก็ฟังดูที่ปัญหาข้อข้องใจใดๆก็ตามเวลาเราโรรสว่างขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเราตั้งใจจะละมันไหมมันหักตกไปเข้ามันเองนี่คือปัญญาความรอบรู้ภาในหัวใจของเราให้เราอยู่อย่างเห็นประโยชน์ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ด้วยกันหมู่มากมันหากมีแหละประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องมีถึงยังไงก็ตามให้เห็นแก่ประโยชน์ตนให้มากแต่ว่าคำว่าประโยชน์ตนในทีนี้อย่าให้กเกลียดมาสวมร้อยหลบเข้าไปเราเออประโยชน์ตนหลบเข้าไปเอาประโยชน์ตนนักๆเข้าไม่ให้ความสนใจกับประโยชน์ส่วนรวม แตอย่าลืมว่าประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนก็อย่าลืมด้วยอย่าลืมบางทีเราไปคลุกเคล้าคลุกเคลีกับสิ่งเดียวเรื่องเดียวมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขาดเกณฑ์ที่จะมากําหนดกําหนดดูว่าข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเราก็มาดูมาสับมาเปลี่ยนอ่มาดูอา้าประโยชน์ตนปรีเวลาไปบ้างห้านาทีสิบนาทีเออประโยชน์ท่านปรีเวลาไปบ้างห้านาทีสิบนาทีเนี่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 ความสงบคบะะวามสํารวรมัดระวังนี้ไม่ไปล่อยเราไม่ไปล่อยปล่อยที่ไรเราก็ขาดทุนปล่อยที่ไรเราก็ขาดทุนเราไม่ไปล่อยเรายืน อ, อยู่ที่เดิมยืนอยู่ที่เดิมเรามีแต่ใจเจริญเรามีแต่ใจเจริญโดยไทยเดียวนเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องข้างในนะเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นประโยชน์แล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําำเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องภายในเราทําเอาเองใครทําให้เราไม่ได้ดอกพ่อแม่ก็ทําให้เราไม่ได้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 ให้มันเพิ่มพูนทวีคูณอยู่แตกับบุญบุญส่วนนี้มันก็จะเริ่มมีพลังก่อรกก่อรากสร้างรวงสร้างรังสร้างเมื้อสร้างตัวให้กับตัวเองมันหากมีผลเพิ่มที่ตั้งเรียกว่าสมาธิเป็นต้นทุนปัญญาเป็นเหมือนผู้แสวงหาเพิ่มทุนให้กับตัวเองเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปจากคนไม่มีก็กลายเป็นคนมีจากคนมีก็เริ่มกลายเป็นเศรษฐีจาก เริ่มเป็นเศรษฐีก็เริ่มมากขึ้นมากขึน้นมีเป็นห้ามีเป็นสิบมีเป็นร้อยมีเป็นพันเริ่มเพิ่มพูนทวีคูณเราไม่ดูไปอย่างอื่นเราก็ดูไปที่ความรู้เอออันนั้นเราก็รู้เอออันนี้เราอุอันนั้นเรานนเราข้าใจอันนี้เราก็เข้าใจอันนั้นเราก็เบาอันนี้เราก็เบาเบาเพราะมันรู้มันเข้าใจมันไม่มึดมันมึดทึบๆเงอะงะงอเงาอ่าอันนั้นก็กลัวจะผิดอันนี้ก็กลัวจะผิดอันนั้นก็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 แต่ใ น, ในขณะเดียวกันเรื่องตั้งอกตั้งใจรักษาศีล น, นี่ก็ให้มีด้วยศีลที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะต้องเอาองค์ศีลมาดูมากำกับไม่งั้นวันคืนล่วงไปเราไปล่วงละเมิดเขาเรามาดูเรามารู้ตามหลังเรามาแปวใจโอ้เราล่วงซื้ขาบทนั้นโอ้เราล่วงล่วงซื้ขาบทนั้นโอ้เราล่วงซื้ขาบทนั้นล่วงไปโดยที่เร า, เาลืมนะลืมตัวลืมฝึกฝนอบรมลืมดูข้อหลัก ต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุบันฑทอนบัณทอนสติปัญญาบันทอนความสงบในหัวใจของเราได้เช่นเดียวกันอย่าลืมอย่าลืมอย่ามองข้ามศีลเราก็ตั้งใจศึกษาให้เป็นศีลศึกษารู้เท่าไหร่ให้ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นให้เป็นอธิศีลอธิศีนแปลว่าศีลยิ่งคําว่าศีลยิ่งเไม่กล้าล่วงละเมิดไม่กล้าข้ามกรายไม่กล้าล่วงละเมินเ อผู้ที่จะถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดพระเจ้าประสงค์เหมือนกันไม่กล้าที่จะกล้าข้ามกลายไม่กล้าไม่กล้าที่จะล่องละเมิดถือศีลยิ่งถือศีลยิ่งกว่าชีวิตที่เรียกว่าที่ศีนัทศีนแค่ที่ศีนอย่างเดียวนี่โอ้อาานิสงยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนเราทอดทิ้งไม่ได้แต่ถ้าหากตั้งใจสมรนไระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องธรรม การสํารวจระมัดระวังเรื่องรำธรรมะก็สามารถอครอบคลุมป้องปกปกป้องอถึงศีลได้เหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านพาถือนะจะตุปาริสุทธิศีลเนี่ยนี่ท่านที่เรียก ว, ว่าะจะตุศีลสีข้อจตุปาริสุทธิศีลอ อ, อินรียสังโอศีลสังวร อ, อินรียสังวร ศีลสังวรก็คือสํารวมศีลนั่นแหละสัมบูรณ์ศีลถ้าเราไม่รู้ข้ออ่านข้อทําของของข้อของศีลเราจะเอาอะไรไปสัมบูรณ์ศีลสังวรอินทรีย์สังวรสํารวมสํารวมตาหูจมูกกลิ่นกายใจไม่ให้มัอนหวงละเมิดไม่ให้ความรักความชังเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายถูกต้องสัมผัสความนึกคิดภายในใจไม่ให้จิตมันหลงละเมิด สัมรวมสัรวมอวัยวะภายในตาหูจมูกลิ้นไก่ใจสัมรวมอวัยวะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มารมณ์สัมรวมก็คืออะไรเอาอะไรสัมรวมเอาสติมาสัมรวมเอาสัมปชัญญะมาสัมรวมเอาวิริยะเอาอุตสาหะเอาความประคับประคองนี่มาสัมรวมภาคปฏิบัติจริงๆมันก็คือการที่เรามาดำริอยู่กับอารมณ์ภาวะพุทโธพุทโธประคอง พุโทโธดาริแล้ประคองพุโทโธพุธโทโธนี่แหละนี่ภาคปฏิบัติทําให้เกิดทํางานนี้ให้เกิดขึ้นผลก็จะเกิดขึ้นทําให้ต่อเนื่องได้เท่าไหร่ผลก็จะต่อเนื่องยืดไปเท่านั้นทําติตต่อกันเดี๋ยวนี้ห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวนี้เราเห็นผลเห็นอันนี้สองเดี๋ยวนี้ตอนนี้พื้นไปเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมองมองนู้นมองนี่มองโอ้มองเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างนั้นอย่างนี้ เห็นเป็นของง่ายได้ของกล้วยอะไรไปอย่างอื่นอย่าไปวาดมโนภาพอย่างนั้นสิ่งที่ได้นี่แหละคือนี่แหละพุโทโธพุโทโธเนี่ยสองสามคำไปไม่ขาดช่วงสมบูรณมระวังไปต่อไปนี่คืองานงานที่เราทําอย่างอื่นเป็นข้อพูดเป็นข้ออธิบายถึงความเกี่ยวข้องถึงความผูกพันกันของธรรมะในหัวใจของเรานะ ธรรมะของพระุเจ้าแปดหมืสี่พันระธรรมขันธ์ไม่ขัดแย้งกันในหัวใจของเราเราดูสินี่เราพูดถึงศีละสังวรอินรีสังวรโภชเนมัตตัญญุตานพะิจารณาอาหารอาหารต้องพิจารณานะถ้าเราไม่พิจารณาเป็นเหตุให้เราเสียเสียเสียได้มันนะโภชเนมัตตัญญุตาหรือปัจัจปัจัยสันนิสิตนะปัจัยสันนิสิตเนี่ย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 ท่เรียกว่าอปัน ก, กะอปัน ก, กะปฏิปทาอปัน ก, กะปฏิปทาท่านบอกเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดใครทําอยู่ในสองข้อนี้ไม่ผิดทําจนเป็นจนตายไม่ผิดท่าเรียกว่าข้อปฏิบัติไม่ผิดข้อปฏิบัติไม่ผิดอินทรียสังวรโภชเนมัตตัญยุตาชาคริยานุโยคชาคริยานุโยค ี่มันก็คาบเกี่ยวกันกับจัตุปาริสุทธิสินมันคาบเกี่ยวกันโภชเนมัตัญยุตตาอินทรีสังวรก็คือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมรูปเสียงผิดลดผลภะธรรมรมณ์โภชเนมัตตัญยุตตาคือพิจารณาโภชนะพิจารณาอาหารก่อนบริโภคอ่าพิจารณาก่อนบริโภคอาหารก่อนบริโภคผ้าจีวรก่อนบริโภคที่อยู่อาศัยกุฏิกุฏัง ก่อนบริโภคหยุกยาเห็นไหมท่านไม่ปล่อยนะให้มีสติขึ้นกับพิจารณาสำรวจระมัดระวังตลอดชาคิยานุโยกประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยสามอย่างนี้ท่านว่าให้ปฏิบัติไปเท่าไหร่ไม่มีผิดไปดูในหลักท่านพูดเอาไว้ในธรรมหมวดสามนักธรรมทีท่านก็พูดเอาไว้ในธรรมหมวดสามประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นนะฮะ ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นท่านตั้งเกณฑ์ไว้อย่างยังไงท่านตั้งท่านตั้งเกณฑ์ไว้ตั้งแต่หัวค่ําจนถึงถมดุลยามสี่ทุ่มจากสี่ทุ่มไปจนถึงตีสองจากตีสองไปจนถึงสว่างทําความเพียรตั้งแต่หัวค่ําไปจนถึงสี่ทุ่มพักผ่อนจากสี่ทุ่มไปจนถึงตีสอง ตีสองตื่นจากตีสองไปจนถึงสว่างทําความเพียรตลอดไปนี่เขาเรียกว่าทําความเพียรเป็นเครื่องตื่นชาคริยานโยคชาคริยานโยคชาครชาครคือตื่นชาคระอนุโลมอะนุโยคตามสติตามสัมผัสัญญะตามงานประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นที่เขาเรียกว่าชาคริยานโยค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 นีเ่เราอยู่ทํากลางที่ฝึกอ่าเราอยู่ทํากลางที่ฝึกแล้วก็ฝึกมีความจําเป็นไปทําประโยชน์ท่านเราก็ไม่ทอดทิ้งมีสติมีสมสพยัญญากํากับทําไปเพราะทําอะไรมันก็เกิดประโยชน์ทําอะไรมันมีอา น, นิสงส์ทั้งนั้นหละยทําอะไรมีอา น, นิสงส์ทั้งนั้นนอกจากไม่มีไม่เห็นคุณค่าของเวลาเอา ไม่เห็นคุณค่าของเวลาเอาเวลาไปหลับด้วยความเพลินหลงไปกับความหลับสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้ตายหลงเพลินไปกับกับความหลับตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยบางทีโพยชนะที่ใส่ไปเต็มเต็มกระเพาะตื่นขึ้นมาสามสี่ห้าชั่วโมงแล้วแฟบหลงอีกแล้วโอ้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 หายใจเข้าหายใจออกนั่งติดต่อกันสักสิบนาทีนึ่โอ้ยอันนี้สงยิ่งใหญ่ไพศาลนี่ว่าไปปล่อยทิ้งเป็นวันๆแล้วไม่ได้อะไรยิ่งเอาความบริโภคปัจจัยสี่แล้วก็เพลินไปกับความหลับดังดังที่ว่านั้นด้วยแล้วนี่โอ้ยขาดทุนศูนย์ดอกแหละไม่รู้จะไปตั้งอยู่บนพื้นฐานของอะไรแล้วหละนี่คือไม่ได้พิจารณาอาหาร ไม่ได้พิจารณาหารรับทานฉันเต็มแปร่ไปแล้วก็ไม่ได้ไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีโภชนเนมัตตันยุตตาไม่มีรู้จักประมาณในโภชนะพาจนอิ่มจนเต็มแปรไปแล้วก็ไอ้เจ้าเคลิ้มเคลิ้มก็พายุดกิเลสไอ้ตัวหนักหนาสาหัสาสาหัสสากันด้วยการที่ไม่เคยฝึกอบรมมันกดท่วงซะจนเรางอหัวไม่ขึ้นน่ะ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 เรื่องของกิเลสนะมันเป็นเรื่องที่มันต้องผ่อนผันให้กับตัวมันตลอดมันไม่เคยยกให้เราแหละมันมีแต่ผ่อนผันเอากําไรให้กับตัวมันเองให้เราพยายามสํารวมระมัดระวังเอาวันนี้เอาพอสมควรกับเวลาแค่นี้แหละเอะเอ า, เอาขอนิสัยจะพระเราขออนิสัย เออกลับซะคนนั้นกลับซะ